สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมนายชกรคนชอบเล่าอยากจะเล่าเรื่องราวความเป็นมาของชื่ออำเภอเขาสมิงให้ฟังกันนะครับจะมีตำนานความเป็นมาอย่างไงก็ลองฟังดูกันนะครับเอาแบบเพลินๆครับอำเภอเขาสมิงคืออำเภออำเภอหนึ่งในจังหวัดตราดและเป็นอำเภอแรกที่ต้องมาถึงก่อนหากเราเดินทางจากกรุงเทพไปสมิงตามตำนานเชื่อว่าคือเสือที่จะสามารถกลายร่างเป็นคนได้ คือจะแปลงร่างเป็นคนเพื่อหลอกพานป่าให้ลงมาจากการนั่งห้างบนที่สูงเพื่อจับกินเป็นอาหารซื้อสมิงสามารถแปลงกายได้หลายแบบทั้งเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงและบางครั้งก็แปลงเป็นพัธุดงก็มีตามแต่มันจะต้องการและที่มันสามารถแปลงร่างเป็นคนได้นั้นเชื่อกันว่าเกิดจากการที่มันเป็นเสือที่ดุร้ายและก็ฆ่าคนเป็นอาหารจานวนมาก วิญญาณของมนุษย์ที่ถูกกินด้วยแรงอาฆาตจึงเข้าสิงสู่ร่างของมันและยิ่งทํามันได้กินคนเป็นจํานวนมากๆแล้วล่ะก็วิญญาณอาฆาตสิงสูงมากขึ้นพลังอํานาจมันก็จะมากขึ้นตามไปด้วยและที่อําเภอเขาสมิงก็มีตํานานเกี่ยวกับความเป็นมาของชื่อว่านานมาแล้วเคยมีชายคนหนึ่งซึ่งไม่ปรากฏนามแต่ว่าเวลานั้นเขาก็คงจะมีชื่อเหมือนคนทั่วไปเรื่องมีอยู่ว่า เขาไปมีเรื่องขัดใจกับเพื่อนบ้านเกิดทะเลาะกันรุนแรงมากชายคนนี้จึงมีความคิดที่จะล้างแค้นเพื่อนบ้านของเขาโดยชายคนที่ว่านี้เขาเป็นคนที่เคยเรียนวิชาอาคมไสยศาสตร์เขามีสิ่งหนึ่งที่เรียกกันว่าน้ำมันสมิงเป็นสมบัติของเขาน้ำมันสมิงที่ว่านั้นเมื่อเขานำมาทาตัวเขาก็จะกลายเป็นร่างของเสือสมิงได้ในทันทีและการที่จะคืนร่างเป็นคนได้เดิมๆนั้นเขาจะต้องอาบน้ำมนต์ที่เขาต้องปลุกเสกเตรียมเอาไว้ และด้วยความโกรธเขาจึงคิดจะกลายร่างเป็นสมิงเพื่อไปล้างแค้นแต่ถ้าเขาอยู่ในสภาพของเสือเขาก็คงไม่สามารถอาบน้ำมนต์เองได้เพื่อกลับกลายร่างเป็นคนดังนั้นหลังปลุกเสกน้ำมนต์เสร็จเขาจึงนําน้ำมนต์ไปให้ภรรยาของเขาและบอกกําชับว่าหากเห็นเสือตัวหนึ่งเดินเข้ามาหาให้เอาน้ำมนต์นี้ราดที่ตัวของเสือนั้นทันทีภรรยาก็รับปากรับคําอย่างดีเมื่อจัดการเตรียมทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยคืนนั้น เขาก็เอาน้ำมันสมิงทาตัวจนกลายร่างเป็นสมิงได้สมใจและเมื่อแก้แค้นได้สำเร็จเขาก็กลับไปหาภรรยาของเขาเพื่อจะได้กลายร่างกลับเป็นคนดังเดิมข้างฝ่ายภรรยาไม่เห็นเสือก็นึกถึงคําที่สามีสั่งไว้จึงรีบหยิบขันน้ามันมาถือแต่อาจเป็นเพราะสมิงตนนั้นมีขนาดที่ใหญ่มากนางจึงเกิดความกลัวมือไม้สัน่นจนขันน้มันหลุดมือไปครับสรุปได้ว่าเวรกรรมตามทัน สมิงไม่อาจกลับคืนร่างเป็นคนได้และด้วยความเสียใจนั่นเองมันจึงร้องไห้จนตายกลายเป็นเขาสมิงที่มีชื่อเรียกกันมาจนถึงทุกวันนี้และก็ยังมีตำนานที่แตกต่างกันอีกแบบดัง น, นี้ครับในบริเวณเขาสมิงจังหวัดตราดจะมีเขาเตี้ยๆอยู่ลูกหนึ่งอยู่ห่างจากที่ตั้งอำเภอเขาสมิงในปัจจุบันประมาณ3กิโลเมตรเป็นที่อยู่ของผู้แก่กล้าทงวิชาอาคมมากคนหนึ่งซึ่งได้ร่ำเรียนวิชาจนกลายเป็นเสือได้ มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าในยอดเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงแต่เนื้อตัวมีแผลหลายแห่งและที่แปลกคือที่ก้นมีหางงอกออกมายาวประมาณหนึ่งคืบซึ่งไม่ได้มีมาตั้งแต่กำเนิดแต่เกิดขึ้นภายหลังเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อพ่อของในยอดนำเขาไปฝากให้เล่าเรียนวิชากับสมพานธ์ใกล้ตอนอายุ16ปีเพราะท่านสมพาน์มีวิชาสามารถเรียกเสือให้มาดูได้และใช้เสือไปไนไหนได้ตามใจท่าน เหมือนกับสุนัขที่หัดไว้จนรู้ภาษาคนด้วยน้ำมันสมิงในยอดเป็นเด็กฉลาดว่านอนสอนง่ายจึงเป็นที่รักของสมพัน์เมื่อเวลาสมพัน์ใกล้จะไปไหนท่านจะสั่งนักสั่งนาว่าไม่ให้ในยอดไปค้นอะไรที่ผ่านหัวนอนของท่านเป็นอันขาดแล้ววันหนึ่งเมื่อสมพันธ์ไม่อยู่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นในยอดได้ไปนค้นที่ผ่านข้างหมอนของสุมพัน์ใกล้ก็ไปพบเห็นต ล, ตลับตลับหนึ่งเมื่อเปิดดูก็เห็นเป็นขี้ผึ้งสีเขียว นึกว่าเป็นขี้พึ่งเมตตามหานิยมของอาจารย์จึงควักออกมาทาคิ้วทาปากทันใดนั้นเองก็เกิดขนขึ้นตามตัวเป็นสีเหลืองสีดำดำไปทั่วเพราะความจริงแล้วขี้พึ่งที่ทานั้นมันเป็นน้ํามันสมิงหากใครได้ทาตัวเข้าไปก็จะกลายร่างเป็นสมิงทันทีและเมื่อในยอดกลายร่างเป็นเสือก็วิ่งกระโดดลงจากวัดเข้าปา่าหนีไปต่อมาเมื่อสมภารกลับมาไม่พบในยอดด้วยสงสารใจจึงไปที่ห้องของตน เห็นตลับน้ำมันสมิงเปิดทิ้งอยู่จึงรู้ได้เลยว่าในยอดได้กลายเป็นสมิงไปแล้วจากนั้นท่านจึงสั่งพระลูกวัดและพ่อของในยอดว่าท่านจะทานน้ำมันสมิงเพื่อออกตามหาตัวในยอดกลับคืนมาและจําไว้ถ้ามีเสือมาที่วัดให้เอาไม้คานตีเสือตัวนั้นจากนั้นท่านก็กลายร่างเป็นเสือออกติดตามหาในยอดเข้าป่าไปเวลาร่วงผ่านไป6เดือนกว่าเย็นวันหนึ่งพระลูกวัดเห็นเสือสองตัวที่แปลกกว่าเสือธรรมดา คือเสือที่มามีหางสั้นก็เข้าใจว่าเป็นสมพันธ์ใกล้และในยอดสิทธิ์ของท่านกลับมาแต่ก็ไม่มีพระองค์ใดกล้าเอาไม้คานเข้าไปตีตามที่ท่านอาจารย์ได้สั่งเอาไว้พระจึงไปตามบิดาของในยอดมาบิดาของในยอดเชื่อว่าเป็นลูกของตนแน่ๆจึงได้เอาไม้คานตีเสือสองตัวนั้นตัวละหนึ่งทีท่านใดนั้นขนก็หลุดร่วงไปหมดแต่หางยังคงอยู่เมื่อพระลูกวัดเห็นเป็นพระอาจารย์จึงได้นําสบงจีวรมาห่มให้ ท่านจึงเล่าให้บิดาของนายยอดฟังว่าท่านออกเดินทางตามหานายยอดไปเจ็วันก็ไปพบกับเสือป่าถามได้ความว่าสมิงยอดข้ามเขาไปเมื่อสองถึงสวันที่แล้วจึงตามไปจนถึงภูเขาลูกหนึ่งข้างหลังเขาเป็นที่ราบมีหมู่บ้านทํามาหากินเลี้ยงวัวเลี้ยงควายหมูเห็ดเป็ดไก่จํานวนมากท่านไปพบสมิงยอดกําลังกินหมูของชาวบ้านอยู่พอสมิงยอดเห็นอาจารย์ก็รีบวิ่งหนีไปโดยเร็ว จนไปจนมุมอานที่ถ้าแห่งหนึ่งเคราะดีที่สมิงยอดไม่กินเนื้อมนุษย์เพราะถ้ากินเนื้อมนุษย์ลงไปแล้วคงไม่ยอมกลับมาง่ายๆและจะดุร้ายมากกว่านี้ท่านสมภานเล่าให้ฟังนี่ก็จบตำนานที่สองครับแต่ก็ยังมีอีกตำนานที่กล่าวไว้ว่าในดินแดนอันไกลโพ้นเลยจากทิวเขาเหยียดยาวที่กั้นแดนดินไทยและขอมออกจากกันมีชายหนุ่มเชื้อชาติขอมคนหนึ่งชื่อสมิง ได้ร่ำเรียนวิชาอาคมจนแก่กล้าและเพื่อทดลองวิชาที่ได้ร่ำเรียนมาจึงเดินทางข้ามเขาสูงผ่านป่าดงดิบนั่นในบางช่วงที่เดินทางของป่าบางครั้งแสงของดวงตะวันก็ไม่อาจจะส่งถึงเข้าไปในป่าได้ก็ได้แต่เดินทางลัดเลาะหนองน้ำกว้างใหญ่จนวันหนึ่งได้มาพบกับเสือโครงที่กินคนมามากมายจึงได้เกิดการลองวิชาขึ้นโดยการต่อสู้กับเสือโครงตัวนั้นแต่เพว่า อาคมของสมิงใดๆที่เคยร่ำเรียนมาก็ไม่สามารถจะสะกดมันได้จึงกลายเป็นครั้งแรกที่สมิงพ่ายแพ้และก็ตกกลายเป็นอาหารของมันไปแม้ร่างกายของเขาจะยับเยินภายใต้คมเคี้ยวแต่วิญญาณอันกล้าแข็งของสมิงนั้นทำให้สามารถครอบงำวิญญาณของเสือร้ายนั้นได้ในที่สุดคงความเป็นอัมบตะอยู่ในร่างกายของเสือตัวนั้นแต่ต้องทุกทนทรมานเหงาอยู่ในป่าลึกจึงร่อนเร่รอนแรมเพื่อหาเพื่อนมนุษย์ แต่ทว่าเหมือนกับมีคำสาบเมื่อมนุษย์ที่ผานพบในป่าทึบนั้นทุกคนที่จะเข้ามาเป็นเพื่อนกลับถูกเขากินเพื่อสังวยความหิวมันเป็นความหิวที่สมิงไม่สามารถจะควบคุมมันได้เลยในที่สุดสมิงก็ได้เดินทางมาถึงฝั่งน้นเขียวดูลึกล้ำและที่ฝั่งตรงข้ามเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีเลือกสวนไรนามีสวนดอกไม้สีสันสดใสและก็มีผู้คนที่เป็นมิตรตรงข้ามกับฝั่งที่สมิงอาศัยอยู่ ซึ่งมีแต่ป่าทึบและเสียงของสัตว์กูร้องคำรามเพื่อหาเหยื่อในยามค่ำคืนสมิงจึงเดินทางข้ามเถาสบ้าใหญ่ที่ทอดตัวข้ามฝั่งคลองไปปรากฏตัวที่ริมลานนวดข้าวในคืนที่แสงจันทร์ส่องสว่างด้วยรูปลักษณ์ของชายหนุ่มรูปงามในชุดสีดำมีภักขม้าคาดพุงถือใต้อันใหญ่ไว้ในมือพวกชาวบ้านก็ต้อนรับขับสู้สมิงอย่างอบอุ่นในวงเล่าและก็มีคนสังเกตเห็นว่า สมิงนั้นได้วางใต้ที่ดับแล้วไว้ข้างตัวตลอดเวลาแม้ในยามที่จะออกไปรำวงรอบลานนวดข้าวเขาก็ไม่ลืมที่จะคว้าใต้ขัดไปไว้ที่ใต้ผ้าขม้าที่คาดพุงอยู่ตกดึกทุกคนหลับไหลสมิงจึงได้จากไปร่างในชุดดำซึ่งไร้เงาจากแสงเทียนและแสงเดือนสมิงไม่มีเงาเขาต้องถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เสมอเมื่อมาปรากฏตัวที่หมู่บ้าน ทุกครั้งเสียงร้องของเขาจะดังกระหึ่มเกินเสียงของคนบางครั้งก็มีกลิ่นสาบรุนแรงเมื่อเขาเคลื่อนไหวสมิงต้องเดินทางข้ามเถาสบ้าไม่มีเรือเหมือนคนอื่นและก็ไม่มีใครเคยพบเห็นบ้านของสมิงที่ฟากโน้นชาวบ้านทุกคนตระหนักในความผิดปกติแต่ทุกคนก็ชอบสมิงเพราะตั้งแต่สมิงมาที่หมู่บ้านนี้พืชพันธุ์ยาหารก็ได้ผลดีกว่าเดิมบางปีมีฝนตกหนักน้ำป่าหลา สมิงก็จะเตือนชาวบ้านให้รู้ล่วงหน้าบางปีแล้งสมิงก็จะคอยบอกให้เตรียมกักน้ำเก็บน้ำไว้เป็นจำนวนมากสมิงห่วงใยชาวบ้านเหมือนคนเป็นครอบครัวเดียวกันแต่เขากำชับว่าห้ามตัดเถาสะบ้าใหญ่เด็ดขาดถ้าฝ่าฝืนเขาจะโกรธมากมากและจะไม่กลับมาให้เห็นอีกเลยวันหนึ่งมีสิ่งแปลกใหม่เข้าล่วงรับมาในคลองน้ำลึกแห่งนี้มันคือเรือสำเภาที่นำพาสินค้าไปขายที่หมู่บ้านใหญ่ข้างบน และแล้วเสากระโดงเรือก็ติดเถาสบ้าคนบนเรือสำเภาตึงช่วยกันตัดเถาสบ้าจนขาดเพื่อให้เรือได้ผ่านไปก่อนพบคร่ำทันทีที่เถาสบ้าขาดลงรอบข้างก็มืดลงอย่างรวดเร็วทุกอย่างหยุดนิ่งลมไม่มีพัดใบไม้ให้ไหวติงนิ่งสงัดและก็มีเสียงคำรามกระหึ่มในลาคอค่อยๆดังขึ้นดังขึ้นพร้อมกับลมที่ก่อตัวแรงขึ้นพัดจนเสากระโดงเรือโอนเอน็งพัดน้ําในคลองเป็นคลื่นกระชอง จนเรือใหญ่สายไหวอย่างรุนแรงน้ำถูกขอบเป็นคลื่นสูงสัาสตร์ลำเรือและผู้คนบนนั้นสายฝนกระหน่ำมาเป็นบ้านขาวหนาทึบในความมืดมิดเสียงลมฝนและน้ำในลําคลองคำรามกล้องท้องทุ่มช้าวันรุ่นขึ้นน้ำในคลองนิ่งสนิทไร้ร่องรอยพายุร้ายไม่มีเรือสมเภาไม่มีซากศพไม่มีอะไรแปลกปลอมไม่มีสมิง มีแต่เพียงเสียงคำรามต่ำอย่างแผ่วเบาโหยแววมาจากป่าทึบฝากโน้นชาวบ้านต่างรักและอะไรสมิงชายหนุ่มรูปงามคนที่ไม่มีเงาผู้ที่ไม่เคยแปลกตัวในตอนกลางวันและไร่บ้านจึงช่วยกันสร้างศาลหลังเล็กๆบนตลิ่งสูงและทำพิธีบูงสวงเชิญวิญญาณสมิงให้มาสถิตอยู่ณที่แห่งนี้และทั้งหมดนี้ก็คือตำนานที่มาของชื่ออำเภอเขาสมิงครับ ขอบคุณข้อมูลจากตราดนาโบราณการที่ให้ผมได้นำมาเล่าต่อให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับจากตำนานอำเภอเขาสมิงถ้าถูกใจชอบยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ